2. มหาวัคหมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่หนึ่งติดทายตนะสูตรว่าด้วยที่เกิดแห่งทิฏฐิเป็นดุท่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายที่เกิดแห่งทิฏฐิเป็นดุตท่สามประการ ซึ่งเมื่อถูกบัณฑิตไต่าถามซักไซส์ไล่เลียงเข้าก็อ้างการถือสืบสืขกันมายืนกรานอยู่ในหลักอริยวาทะที่เคยแทงทิฏฐิเป็นดุทท่าสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งสมณะพราหมุก์หนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่บุรุษบุคคล น, นี้เสวยทั้งหมดล้วนแต่มีกรรมที่ทาไว้ปางก่อนเป็นเหตุ สสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่บุรุษบุคคลนี้เสวยทั้งหมดล้วนแต่มีการเนรมิตของพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นเหตุ 3. สมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่บุรุษบุคคลนี้เสวยทั้งหมด ล้วนแต่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยบรรดาสมณพราหมณ์ทั้งสามจำพวกนั้นสมณพราหมณ์พวกใดมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่บุรุษบุคคลนี้เสวยทั้งหมดล้วนมีกรรมที่ทําไว้ในปางก่อนเป็นเหตุเราก็ไปหาสมณพราหมณ์พวกนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าทราบมาว่าจริงหรือที่ท่านทั้งหลายมีวาทะอย่างนี้ มีทิฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่บุรุษบุคคลนี้เสวยทั้งหมดล้วนแต่มีกรรมที่ทำไว้ในปางก่อนเป็นเหตุถ้าสมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้ยอมรับว่าจริงเราจะกล่าวกับท่านเหล่านั้นดังนี้ว่าถ้าอย่างนั้นเพราะกรรมที่ทำไว้ในปางก่อนเป็นเหตุท่านทั้งหลายก็จะเป็นคนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดพรหมจรรย์พูดเท็จ ผู้ ส, ส่อเสียดพูดคําหยาบพูดเพ้เจ้อมากด้วยอภิชาเพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทและเป็นมิชาทิฐิอันหนึ่งเมื่อบุคคลยึดถือกรรมที่ทําไว้ในปางก่อนโดยความเป็นแก่นสารย่อมไม่มีความพอใจหรือความพยายามว่าสิ่งนี้ควรทําหรือสิ่งนี้ไม่ควรทำํำก็เมื่อไม่ได้กรณียกิจและอกรณียกิจโดยจริงจังมั่นคง ดังกล่าวมานี้สมณะวาทะที่เป็นธรรมเป็นของเฉพาะตัวย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีสติฟั่นเฟือนไม่มีเครื่องป้องกันนี้แหละเป็นวาทะที่หนึ่งสำหรับข่มโดยชอบธรรมของเราต่อสมณะพราหมณ์เหล่านั้นผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้บรรดาสมณะพราหมณ์เหล่านั้นสมณะพราหมณ์พวกใดมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุข ทุกหรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่บุรุษบุคคลนี้เสวยทั้งหมดล้วนแต่มีการเนรมิตของพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นเหตุเราก็าไปหาสมณพราหมณ์พวกนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าทราบมาว่าจริงหรือที่ท่านทั้งหลายมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกหรือไม่ทุกขไม่สุขที่บุรุษบุคคล น, นี้เสวยทั้งหมด ล้วนแต่มีการเนรมิตของพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นเหตุถ้าสมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้ยอมรับว่าจริงเราก็จะกล่าวกับท่านเหล่านั้นอย่างนี้ว่าถ้าอย่างนั้นเพราะ ก, การเ น, นรมิตของพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นเหตุท่านทั้งหลายก็จะเป็นคนฆ่าสัตว์ละถึงและเป็นมิจฉาทิฐิอันหนึ่งเมื่อบุคคลยึดถือการเนรมิตของพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ โดยความเป็นแก่นสารย่อมไม่มีความพอใจหรือความพยายามว่าสิ่งนี้ควรทำหรือสิ่งนี้ไม่ควรทำก็เมื่อไม่ได้กรณียกจิตและอภกรณียกจิตโดยจริงจังมั่นคงดังกล่าวมานี้สมณะวาทะที่ชอบทำเป็นของเฉพาะตัวย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีสติฟันฟ่นเฟือนไม่มีเครื่องป้องกันนี้แหละเป็นวาทะที่สอง สำหรับข่มโดยชอบธรรมของเราต่อสมณพราหมณ์เหล่านั้นผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์พวกใดมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่บุรุษบุคคลนี้เสวยทั้งหมดล้วนไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเราเข้าไปหาสมณพราหมณ์ผู้นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าทราบมาว่า จริงหรือที่ท่านทั้งหลายมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่บุรุษบุคคล น, นี้เสวยทั้งหมดล้วนไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยถ้าท่านเหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้ยอมรับว่าจริงเราก็จะกล่าวกับท่านเหล่านั้นอย่างนี้ว่าถ้าอย่างนั้นเพราะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยท่านทั้งหลายจักเป็นคนฆ่าสัตว์ละถึง และเป็นมิชาทิฏฐิอันหนึ่งเมื่อบุคคลยึดถือความไม่มีเหตุโดยความเป็นแก่นสารย่อมไม่มีความพอใจหรือความพยายามว่าสิ่งนี้ควรทําหรือสิ่งนี้ไม่ควรทําก็เมื่อไม่ได้กรณียกิจและอกรณียกิจโดยจริงจังมั่นคงดังกล่าวมานี้สมณวาทัะที่ชอบธรรมเป็นของเฉพาะตัว ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีสติฟั่นเฟือนไม่มีเครื่องป้องกันนี้แหละเป็นวาทะที่สามสำหรับคมโดยชอบธรรมของเราต่อสมณพราหมณ์เหล่านั้นผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายที่เกิดแห่งทิฏฐิเป็นดุดท่าสามประการซึ่งเมื่อถูกบัณฑิตไต่าถามซักไซไล่เลียงเข้าก็อ้างการถือสืบๆกันมา ยืนกรานอยู่ในหลักอกริยวาทะส่วนธรรมที่เราแสดงไว้นี้ใครใครข dai, m m ong, s s ang, ่มไม่ได้ไม่มัวมองไม่ถูกตำหนิไม่ถูกสมณะพราหมณ์ผู้รู้แจ้งคัดค้านธรรมที่เราแสดงไว้ใครใครข dai, m m ong, han, s s ang, ่มไม่ได้ไม่มัวมองไม่ถูกตำหนิไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งคัดค้านเป็นอย่างไรคือหนึ่งธรรมที่เราแสดงไว้ว่า ธาตุหกประการนี้ใครๆข่มไม่ได้ไม่มัวหมองไม่ถูกตําหนิไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งคัดค้าน 2. องทำที่เราแสดงไว้ว่าภาษายตนาหกประการนี้ใครใคข่มไม่ได้ไม่มัวหมองไม่ถูกตําหนิไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งคัดค้าน 3. ามทำที่เราแสดงไว้ว่ามโนปวิจารสิบแประการนี้ ใครๆข่มไม่ได้ไม่มัวมองไม่ถูกตำหนิไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งคัดค้านสทํธรรมที่เราแสดงไว้ว่าอาริยสัจสีประการนี้ใครๆข่มไม่ได้ไม่มัวมองไม่ถูกตำหนิไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งคัดค้านเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าธรรมที่เราแสดงไว้ว่า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 เพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าธรรมที่เราแสดงไว้ว่าธาตุหกประการนี้ใครๆข่มไม่ได้ไม่มัวมองไม่ถูกตำหนิไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งคัดค้านเราจึงกล่าวไวเช่นนั้นเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าธรรมที่เราแสดงไว้ว่าภาษาญตณะหกประการนี้ใครๆข่มไม่ได้ไม่มัวมองไม่ถูกตาหนิ ไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งคัดค้านเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภาษายตนาหกประการนี้คือจากขุตาโสตหูคานะจมูกชิวหาลิ้นกายกายมโนใจเพราะอาศัยคําที่เรากล่าวไว้ว่าทำที่เราแสดงไว้ว่าภาษายตนาหกประการนี้ใครๆข่มไม่ได้ ไม่มัวมองไม่ถูกตําหนิสมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งคัดค้านเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าธรรมที่เราแสดงไว้ว่ามโนปวิจารสิบประการนี้ใครๆข่มไม่ได้ไม่มัวหมองไม่ถูกตําหนิไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งคัดค้านเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น เพราะบุคคลเห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมเข้าไปไตรตรองรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเข้าไปไตรตรองรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทโมนัสเข้าไปไตรตรองรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาบุคคลฟังเสียงด้วยหูแล้วดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วถูกต้องโพธะะด้วยกายแล้วรู้แจ้งธรรมรมด้วยใจแล้ว ยอมเข้าไปตรายตรองธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสมนัตเข้าไปตรายตรองธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัตเข้าไปตรตรองธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าธรรมที่เราแสดงว่ามโนปวิจารสิบประการนี้ใครๆข่มไม่ได้ไม่มัวหมองไม่ถูกตำหนิไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งคัดค้านเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น อนหนึ่งเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าทำที่เราแสดงไว้ว่าอริยสัจสี่ประการนี้ใครใคข่มไม่ได้ไม่มัวหมองไม่ถูกตำหนิไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งคัดค้านเพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเพราะถือมั่นธาตุ6กประการสัตว์จึงก้าวลงสู่ขันเมื่อมีการก้าวลงสู่ขันนามรูปจึงมี เพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีก็เราบัญญัติไว้ว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธและนี้ทุกขนิโรธขาไม่มีปฏิปทาแก่บุคคลผู้เสวยอารมณ์อยู่ทุกขะอาเรศเป็นอย่างไรคือแม้ชาติความเกิดก็เป็นทุก แม้ชราความแก่ก็เป็นทุกข์แม้มรณะความตายก็เป็นทุกข์แม้โศกะความโศกแม้ปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจอุปาญากความรับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความแพ้พลากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์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 กองทุกทั้งมวลนี้มีความเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัตว์ทุกขนิโรธอริยสัตว์เป็นอย่างไรคือเพราะอวิชชาสำรอกดับไปสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับพัสสะจึงดับ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 6. สัมมาวายามะพยายามชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบนี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามมนีปฏิปทาอริยสัตว์เพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าทำที่เราแสดงไว้ว่าอริยสัตว์สีประการนี้ใครๆข่มไม่ได้ไม่มัวมองไม่ถูกตำหนิ ไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งคัดค้านเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นติทายาตนสูตรที่หนึ่งจบ 2. พยสูตร ว่าด้วยภัยภิสุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สะดับย่อมเรียกภัยสามอย่างนี้ว่าอามาตาปุติกภัยภัยสามอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งสมัยที่เกิดไฟไหม้ใหญ่มีอยู่เมื่อเกิดไฟไหม้ใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกไฟเผาตำบลก็ถูกไฟเผาเมืองก็ถูกไฟเผาเมื่อหมู่บ้านถูกไฟเผาอยู่ เมื่อตำบลถูกไฟเผาอยู่เมื่อเมืองถูกไฟเผาอยู่ในที่นั้นแม้มานดาก็ไม่ได้พบบุตรแม้บุตรก็ไม่ได้พบมานดาปุุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่หนึ่งนี้ว่าอมาตาปุตตะภยัย 2. สมัยที่มหาเมฆตั้งเ้ามีอยู่เมื่อมหาเมฆตั้งเขาขึ้นแล้วฝนตกลงมาย่อมเกิดห่วงน้ำใหญ่เมื่อเกิดห่วงน้ำใหญ่แล้ว แม้หมู่บ้านก็ถูกน้ำพัดไปตำบลก็ถูกน้ำพัดไปเมืองก็ถูกน้ำพัดไปเ <ME U TER 2> มื่อหมู่บ้าถ น, บนถูกน้ำพัดไปอยู่เมื่อตำบลถูกน้ำพัดไปอยู่เมื่อเมืองถูกน้ำพัดไปอยู่ในที่นั้นแม้มารดาก็ไม่ได้พบบุตรแม่บุตรก็ไม่ได้พบมารดาปุตุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่สองนี้ว่าอามาตาปุติกะภยัยสา สมัยที่ภัยคือโจรป่าปล้นสะดมพวกชาวบ้านต่างพากันขึ้นยานหนีไปมีอยู่เมื่อมีภัยคือโจรป่าปล้นสะดมเมื่อชาวบ้านพากันขึ้นยานหนีไปในที่นั้นแม้มารดาก็ไม่ได้พบบุตรแม้บุตรก็ไม่ได้พบมารดาปุตุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่สามนี้ว่าอมาตาปุตตะภัยภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่ได้สดับ ย่อมเรียกอมาตาปุตตกภัยทั้งสอย่างนี้แลว่าอมาตาปุตตกภัยแต่พุทุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกสมาตาปุตตกภัยทั้งสามอย่างนี้แลว่าอมาตาปุตตกภัยสมาตาปุตตกภัยสามอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งสมัยที่เกิดไฟไหม้ใหญ่มีอยู่เมื่อเกิดไฟไหม้ใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกไฟเผา ตำบลก็ถูกไฟเผาเมืองก็ถูกไฟเผาเมื่อหมู่บ้านถูกไฟเผาอยู่เมื่อตำบลถูกไฟเผาอยู่เมื่อเมืองถูกไฟเผาอยู่สมัยที่มารดาได้พบบุตรแม้บุตรก็ได้พบมารดาเป็นบางครั้งบางคราวมีอยู่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกสมาตาปุติกภัยที่หนึ่งนี้แล้วว่าอมาตาปุติกภัยสอง สมัยที่มหาเมฆตั้งเขาขึ้นมีอยู่เมื่อมหาเมฆตั้งเขาขึ้นแล้วฝนตกลงมาย่อมเกิดห่วงน้ำใหญ่เมื่อเกิดห่วงน้ำใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกน้ำพัดไปตำบลก็ถูกน้ำพัดไปเมืองก็ถูกน้ำพัดไปเมื่อหมู่บ้านถูกน้ำพัดไปอยู่เมื่อตำบลถูกน้ำพัดไปอยู่เมื่อเมืองถูกน้ำพัดไปอยู่สมัยที่มารดาได้พบบุตร แม้บุตรก็ได้พบมารดาเป็นบางครั้งบางคราวมีอยู่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกสมาตาปุติกภัยที่สองนี้แหละ ว, ว่าอามาตาปุติกภัยสมสมัยที่ภัยคือโจรป่าปล้นสดมพวกชาวบ้านต่างพากันขึ้นยานหนีไปมีอยู่เมื่อภัยคือโจรป่าปล้นสดมเมื่อชาวบ้านต่างพากันขึ้นยานหนีไปมีอยู่ สมัยที่มารดาได้พบบุตรแม้บุตรก็ได้พบมารดาเป็นบางครั้งบางคราวมีอยู่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกสมาตาปุตตะภัยที่สามนี้แลว่าอมาตาปุตตะภัยปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกสมาตาปุตตะภัยสามอย่างนี้แลว่าอมาตาปุตตะภัยภิกษุทั้งหลายอมาตาปุตตะภัยสามอย่างนี้ อมาตาปุติกภัยสมอย่างอะไรบ้างคือ 1. ชราภัยภัยที่เกิดขึ้นเพราะความแก่ 2. พยาธิภัยภัยที่เกิดขึ้นเพราะความเจ็บ 3. มรณภัยภัยที่เกิดขึ้นเพราะความตายเมื่อบุตรแก่มารดาย่อมไม่ได้ดังใจหวังอย่างนี้ว่าเราจงแก่บุตรของเราอย่าได้แก่หรือเมื่อมารดาแก่ บุตรย่อมไม่ได้ดังใจหวังอย่างนี้ว่าเราจงแก่มานดาของเราอย่าได้แก่เมื่อบุตรเจ็บไข้มารดาย่อมไม่ได้ดังใจหวังอย่างนี้ว่าเราจงเจ็บไข้บุตรของเราอย่าได้เจ็บไข้หรือเมื่อมารดาเจ็บไข้บุตรย่อมไม่ได้ดังใจหวังอย่างนี้ว่าเราจงเจ็บไข้มารดาของเราอย่าได้เจ็บไข้เมื่อบุตรกาลังจะตาย มานดาย่อมไม่ได้ดังใจหวังอย่างนี้ว่าเราจงตายบุตรของเราอย่าได้ตายหรือเมื่อมานดากำลังจะตายบุตรย่อมไม่ได้ดังใจหวังอย่างนี้ว่าเราจงตายมารดาของเราอย่าได้ตายอมาตาปุติกภัยสามอย่างนี้แหละมักปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละเพื่อก้าวล่วงสมาตาปุตภัยสามอย่างนี้ และอมาตาปุติะภัยสมอย่างนี้มีอยู่มรรคปฏิปทาเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8นี้ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากรรมตตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ สัมมาสมาธิย่อมเป็นไปเพื่อละเพื่อก้าวล่วงสมาตาปุติกภัยสามอย่างนี้และอมาตาปุติกภัยสามอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายมรรคปฏิปทานี้แหละย่อมเป็นไปเพื่อละเพื่อก้าวล่วงสมาตาปุติกภัยสมอย่างนี้และอมาตาปุติกภัยสมอย่างนี้พยสูตรที่สองจบ สเวนาคบุระสูตรว่าด้วยหมู่บ้านพราหม์ชื่อเวนาคบุระสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมกับภิกษุหมู่ใหญ่เสด็จถึงหมู่บ้านพราหม์ของชาวโกสนชื่อเวนาคบุระพราหมและข้บดีชาวเวนาคบุระได้ทราบว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ฟังข่าวว่า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 เด้ยกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมน่าอัศ จ, จรรย์จิงไม่เคยปรากฏอินทรีของท่านพระโคโดมผ่องใส ย, ยิ่งนับพระชวีวันบริสุทธิ์ผุดผ่องผลพุทธาสุขที่มีในศาตรการย่อมบริสุทธิ์ผุดผ่องแม้ชั้นใดอินทรีของท่านพระโคโดมก็ผ่องใส ย, ยิ่งนับพระชวีวันก็บริสุทธิ์ผุดผ่องฉันนั้นเหมือนกัน ข้าแต่ท่านพระโคโดมผลตาลสุขที่หล่นจากขั้วย่อมบริสุทธิ์ผุดพองแม้ฉันใดอินทรีย์ของท่านพระโคโดมก็บริสุทธิ์ผุดพองพระชวีวันก็บริสุทธิ์ผุดพองฉันนั้นเหมือนกันทองแท่งชมพูนุษที่บุตรนายช่างทองผู้ชำนาญล้อมดีแล้วที่นายช่างทองผู้ฉลาดบุดีแล้ววางไว้บนผ้ากำพล สองแสงประกายสุขสว่างอยู่แม้ฉันใดอินทรีย์ของท่านพระโคโดมก็ผ่องใสยิ่งนักพระชวีวันก็บริสุทธิ์ผุดผ่องฉันนั้นเหมือนกันที่นอนสูงและที่นอนใหญ่คือเตียงมีเท้าเกินประมาณบรรลังผ้าโกเชาเครื่องล่าทำด้วยขนแกะวิจิตด้วยลวดลายเครื่องล่าทำด้วยขนแกะสีขาวเครื่องล่าทำด้วยขนแกะลายดอกไม้ เครื่องลาดที่ยัดนุ่นเครื่องลาดขนแกะที่วิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายมีราชสีและเสือเป็นต้นเครื่องลาดขนแกะมีขนตั้งข้างเดียวเครื่องลาดขนแกะมีขนตั้งสองข้างเครื่องลาดไหมคลิปรัตนะเครื่องลาดไหมเครื่องลาดขนแกะที่นางรำสิบหนางยืนรําได้เครื่องลาดหลังช้างเครื่องลาดหลังม้าเครื่องลาดในรถ เครื่องลาดทําด้วยหนังเสือดาวซึ่งมีขนอ่อนนุ่มเครื่องลาดอย่างดีทําด้วยหนังชมมดเครื่องลาดข้างบนมีเพดานเครื่องลาดมีหมอนสีแดงวางไว้ทั้งสองข้างเหล่านี้ท่านพระโคดมได้ที่นอนสูงและที่นอนใหญ่อย่างนี้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากไม่ลำบากแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ คือเตียงมีเท้าเกินประมาณและถึงเครื่องลาดมีหมอนข้างของเหล่านั้นบนรรพชิตหาได้ยากและได้มาแล้วก็ไม่สมควรที่นอนสูงและที่นอนใหญ่สามอย่างในปัจจุบันนี้ที่เราได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากไม่ลาบากที่นอนสูงและที่นอนใหญ่สามอย่างอะไรบ้างคือ 1. ที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ที่เป็นของทิพย์ 2. ที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ที่เป็นของพรหม 3. ที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ที่เป็นของพระอริยะที่นอนสูงและที่นอนใหญ่สามอย่างในปัจจุบันนี้ที่เราได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากไม่ลำบากพระามวจะโคทุนถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดมก็ที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ที่เป็นของทิพย์ ที่ท่านพระโคดมได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากไม่ลำบากในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหม์เราอาศัยหมู่บ้านหรือตำบลใดในโลกนี้อยู่ในเวลาเช้าเราครองอันตรวาสศกถือบาทจีวรนเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือตำบล น, นั้นแลเพื่อบินธบาทกลับจากบินทบาทหลังจากฉันเสร็จแล้วเข้าไปสู่ชายป่า กวาดหญ้าหรือใบไม้ที่มีอยู่ในที่นั้นรวมเป็นกองแล้วนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้มั่นสงัดจากกามและอกุศลธรรมแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจาร์ปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารณ์สงปรงงะงับไปเราบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสาภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น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 เราบรรลุจตุตัชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ถ้าเรานั้นผู้เป็นอย่างนี้จงกรมอยู่ในสมัยนั้นที่จงกรมของเรานั้นชื่อว่าเป็นทิพย์ถ้าเราผู้เป็นอย่างนี้ยืนอยู่ในสมัยที่ยืนของเรานั้นชื่อว่าเป็นทิพย์ถ้าเราผู้เป็นอย่างนี้นั่ง อ, อยู่ในสมัยนั้นที่นั่งของเรานั้นชื่อว่าเป็นทิพย์ ถ้าเราผู้เป็นอย่างนี้นอนอยู่ในสมัยนั้นที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ของเรานั้นชื่อว่าเป็นทิฟนี้แลคือที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ที่เป็นของทิฟที่เราได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากไม่ลำบากในปัจจุบันนี้พรามวาจโโคตรกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏ ใครอื่นนอกจากท่านพระโคดมจกได้ที่นอนสูงและที่นอนใหญ่เป็นของทิพย์ตามความปรารถนาะโดยไม่ยากไม่ลำบากอย่างนี้ข้าแต่ท่านพระโคดมที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ที่เป็นของพรหมที่ท่านพระโคดมได้ตามความปรารถนาะโดยไม่ยากไม่ลำบากในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราม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 แผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบคาจิตแอนไพลบูลเป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่พรามถ้าเราผู้เป็นอย่างนี้จงกรมอยู่ในสมัยนั้นที่จงกรมของเรานั้นชื่อว่าเป็นของพรหม ถ้าเราผูดเป็นอย่างนี้ยืนอยู่ละถึงนั่งอยู่นอนอยู่ในสมัยนั้นที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ของเรานั้นชื่อว่าเป็นของพรหมนี้แหลเคยที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ที่เป็นของพรหมที่เราได้ตามความปรารถนาะโดยไม่ยากไม่ลำบากในปัจจุบันนี้พรามวาจโจโคตรกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดม น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏก็ใครอื่นนอกจากท่านพระโคดมจกได้ที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ที่เป็นของพรมตามความปรารถนาะโดยไม่ยากไม่ลำบากอย่างนี้ข้าแต่ท่านพระโคดมที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ที่เป็นของอริยะที่ท่านพระโคดมได้ตามความปรารถนาะโดยไม่ยากไม่ลำบากในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า พราหมเราอาศัยหมู่บ้านหรือตำบลใดในโลกนี้อยู่ในเวลาเช้าเราครองอันตรวาสศกถือบาทจีวอนเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือตำบล น, นั้นแหลเพื่อบินทบาทกลับจากบินธบาทหลังจากฉันเสร็จแล้วเข้าไปสู่ชายป่ากวาดหญ้าหรือใบไม้ที่มีอยู่ในที่นั้นรวมเข้าเป็นกองแล้วนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดารงสติไว้มั่น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 ละถึงนั่งอยู่นอนอยู่ในสมัยนั้นที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ของเรานั้นชื่อว่าเป็นของอริยะนี้แหละคือที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ที่เป็นของอริยะที่เราได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากไม่ลำบากในปัจจุบันนี้พรามวาจิโคตรกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมหน้าอัศ จ, จรรย์จริงไม่เคยปรากฏ ก็ใครอื่นนอกจากท่านพระโคดมจกได้ที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ที่เป็นของอริยะตามปรารถนาโดยไม่ยากไม่ลำบากอย่างนี้ข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงป ร, ระกาศทำแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำ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 เวนคะคะบุระสูตรที่3จบ